ท่านเพื่อนเซธมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็จะขออธิบายความเป็นมาของปะโสดาบันทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่อธิบายมาแล้วสองคืนนั่นเป็นวิสัยของพุทธจริตแต่ว่าท่านผู้ใดมีจริตเป็นพุทธจริต ก็สามารถจะจำมาไปปฏิบัติเป็นประสดาบันเลยเลยทั <c oughs> ้งนี้เพราะว่าท่านมีนิสัยเป็นพุทธาจริตเป็นคนฉลาดอยู่แล้วแล่ว่าองค์สมเด็จพระปรณฑีแก้วก็มีความห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์หลายที่มีจริตอื่นนอกจากนั้นเช่นราคาจริตโทษาจริต โมหะจริตวิตกจริตสัทธาจริต <c oughs> เป็นนั้นว่าคำอธิบายที่ผ่านมาบรรดาท่านที่มีจริตทั้งห้าอย่างนี้ยังไม่สามารถจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประโสดาบันได้เร่อ <c oughs> งนี้ก็เพราะว่าต้องรับคำอนิบายกันก่อน <c oughs> เนื่องด้วยความฉลาดไม่สม่ำเสมอกัน วันนี้ก็อยากขอพูดให้กับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเข้าใจความจริงความเป็นประสดาบันนี้มีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้าหากว่าทุกท่านมีศีลบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกล่าวน้อมไปถึงการเคารพใ น, ร น, รนพระราตนาัยานี่เพราะว่าศีลมาจากพระราชนาัยาั่งสามประการ การที่เป็นผู้มีศีลบริสุทธ <c oughs> ิ์ก็แสดงว่าเป็นผู้เป็นผู้เข้าถึงพระธรรมตรัยอยู่แล้วดังนั้นศีลของท่านนั้นหลายจึงบริสุทธิ์วันนี้ก็มาขอย้ำกันว่าการที่ศีลจะบริสุทธิ์นั้นต้องอาศัยอะไรเป็นพี่เลี้ยง สินจะบริสุทธิ์ได้ตามที่กล่าวมาแล้วในสิขาบทที่ห้าบรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นว่ามีเมตตากรุณาเป็นสําคัญถ้า <c oughs> มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการนี้ครบถ้วนเป็นอนันุศินบริสุทธิ์ฉะนั้นความจริงมเมตตากรุณาทั้งสองรายการนี้ยังมีเพื่อนอีกสองเป็นฝ่ายสนับสนุน <c oughs> ทั้นก็คือมุทุตาโรเบขามุตุตาได้แก่ความอ่อนโยนของจิตคือจิตมีอารมณ์ไม่ฉ า, าดิสยาบุคคลคนใดเห็นใครเขาได้ดีพรอยินดีกับความดีนั้นนี่ประการหนึ่งเรืการทีสีก็ได้แก่บเบขาความวางเฉย คำว่าเฉยในที่นี้ก็หมายความนั้นว่าไม่สะด ung สะเทือนในเมื่อกฎของกรรมมันเกิดขึ้นนี่ความจริงตามตําราท่านบอกว่าไม่ซ้ําเติมเมื่อบุคคลอื่นได้รับความเดือดร้อนแต่นั่นเป็นจริยาและนิสัยของโลกียชนสําหรับที่พูดกันอยู่นี่อาตมาพูดกับท่านปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบัน <c oughs> ก็ต้องพูดกันคนในชั้นกับโลกียชนสำหรับอุเบกขาเมี่อการวางเฉยจากกฎของกรรมที่ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความแก่ปลายกฎก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาความตายจะเข้ามาถึงเราก็เฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา ก็จะต้องขอย้อนต้นเีตสักนิดว่าศีลที่จะทรงยืนได้เพราะอาศัยพรมีหารศีนั่นก็คือหนึ่งมีเมตตาความรักรักทั้งตัวเรารักทั้งบุคคลอื่นรักทั้งสัตว์เดรัจาน <c oughs> รักทั้งเกียรติยศศักดิ์ศรีเขาบุคคลอื่นรักสิทธิเขาบุคคลอื่นไม่ละเมิดสิทธิเขาบุคคลคนใด นี่เป็นตัวเมตตาความรักนี่กรุณาความสงสารเห็นคนกลนุลดีเห็นสายกลุลดีที่เพล่องพรำ ม, มีความทุก <c oughs> ข์ใครแกรืได้สิ่งใดก็ตามเราพร้อมที่จะช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาจิตใจของเราก็พร้อมตามนั้นเป็นปกติมุทุตาจิตอ่อนโยนคือมีอารมณ์ไม่ฉาดเสียใคร มีอารมณ์ชอบส่งเสริมความดีของบุคคลอื่นบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามชาติเดียวกันหรือคนละชาติอยู่บ้านเดียวกันหรืออยู่คนละบ้านเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นศัตรูกันก็ตามไม่มีความหมายจะเป็นอะไรก็ช่างในเมื่อเห็นเขาได้ดีเราก็รอยยินดีกับความดีของเขา สำหรับอุเบกขานั้นถ้าว่ากันไปตามเรื่อง <c oughs> ในความเป็นรบโซ ด, ดาบันก็หมายความว่ามีความวางเฉยในขันห้าเป็นสำคัญถือว่าขันห้ามีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นเรารู้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความเสื่อมไปเป็นปกติเราจำได้ แล่ต่อไปมันก็มีการสลายตัวไปในที่สุดเราเข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สนใจจริยาอย่างนี้คิดว่านี่มันเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามันเกิดมาเพื่อส่งอารมณ์อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา การป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นการรักษาโรคถือว่าเป็นการระงับปฎิธนาเวลาจะตายเกิดขึ้นมาถือว่าเป็นเรื่องปกติมีอารมณ์ใจไม่หวั่นไหวมีความภูมิใจว่าเราได้ทำความดีแล้วขึ้นชื่อว่าอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายสติไรฉานทั้งหมดอย่างนี้เราไม่ไป ดินแดนที่เราจะพึงไปก็คือมนุษย์หรือว่าเทวดาหรือว่าพรหมตล้ <c oughs> นี้เพื่ออะไรเพราะความดีเราส่งอยู่แล้วคือคุณพระรัตนตรัยตามสามรายการได้คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ <c oughs> อย่างนี้เรามีครบบริบูรณ์ อย่างคนที่นึกถึงของคุณพระพุทธเจ้าแม้แต่ชเวลาเด็กน้อยอย่างท่านมัตตกุนดลีเทพบุตรท่านไม่เคยสร้างความดีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาพระไม่เคยไหวในเวลาที่ใกล้จะตายท่านนึกถึงความดีขององค์สมดเด็จพระจอมไตรบรูมาสเซนดาเพียงเดียวเดียว ตายแล้วท่านไปเกิดบนสวรรค์ชเนเทวโลกท่านดาวดึงสถาวรโลกมีความสุขใน <c oughs> อย่างท่านราชาเทวทีตาเป็นหญิงที่ประกอบบริความจนไม่เคยบำเพ็ญกุศลใส่เข้าตอกเข้าเข้าตอใส่บาดพระมหากษัตริย์ครั้งเดียวแล้วนึกถึงความดีของพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าสังขานุสติกรรมฐาน สำหรับท่านมัณฑนุณเลีเทพบรจัดเป็นผู้ธานุสติกรรมฐานท่านใส่บาทพึ่งั้างเดียวกลับไปกระท่อมถูกงูกขัดตกัดตายท่านก็ไปเกิดบนสวรรค์ช่นดาวดึงสเตรวโลกมีความสุข <c oughs> สำหรับเพื่อธรรมเราก็ถึงแล้วคือมีความเชื่อในพระพุทธเจ้า คนที่มีความเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะว่าแต่คนเลยแม้แต่สัตว์ใดฉันเช่งข้างข่าวห้าร้อยตัวฟังเสียงพระสวิธรรมไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรรมะแต่พอใจในเสียงตายแล้วเกิดบนสวรรค์ช่นดาวดึง เรามาเกิดเป็นมนุษย์พราะประสารีบุตรบวชแล้วไม่นานนักก็เป็นพระอรหัตผล น, <c oughs> นี่เป็นอนุว่าคุณธรรมความดีทังสามรืการได้กัคุณพระรัตนตรัยเราเข้าถึงแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของเราการตายของเราย่อมไม่ไปอบายภูมิเราพอใจในความดีของเรายิ่งไม่หวั่นไหวในความตายและยิ่งไปกว่านั้นปัญจเวหรห้าเรือการคือศินห้า เราสามารถระงับได้แล้วเป็นปัจจัยไม่ลงอบายภูมินี่เป็นอันว่าเรามีความชุ่มชื่นใจไม่หนักใจในด้านสังขารูปเปยขายานในเวาขาข้อสุดท้ายของพรมวิหารสี่แต่ว่าสังขารูปเปคขายานสำหรับประโสูดาบันนี้ทรงไม่ได้มากนัก เป็นเพียงมีความรู้สึกว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นของธรรมดาแต่ว่าในสมัยที่มีชีวิตอยู่ยังมีความรักสวยสดงดงามฮดงามตามปกติของปุถุชนแต่ว่ากำลังใจของตนดีกว่าปุถุชนที่เข้าถึงคุณพัฒน์ตนาตรรงศาสามรการนีบรรดาท่านพุทธบรัททุกท่าน การที่จะสรงศีลให้บริสุทธิ์ถ้าเราระวังแต่สีลก็เห็นจะต้องเหมือนกับจับปูใส่กระด่งหรือว่าเราไล่จับหลิง <c oughs> เพราะว่าสภาพของใจมันดีไม่พอก็ต้องหาเครื่องคลอบคือหากรงขังสินเข้าไว้กรงที่จะขังสินได้นั่นก็คือทบไมวิหารสี่ เรามีความรักเรามีความไม่ตาสงสารกรุณาความสงสารรักด้วยสงสารด้วยเราก็ฆ่าเขาไม่ได้ทรมานเขาไม่ได้ใครแยกล้าฆ่าคนที่รักใครแยกล้าฆ่าคนที่สงสาร <c oughs> เห็นจะหาไม่ได้ในโลกนี่การที่จะรักจะกมยทรัพย์ของเขาถ้าเรามีความรักเรามีความสงสารจาของทรัพย์ เราก็คงไม่สามารถจะทําได้เหมือนกันเนี่หากว่าเราจะไปยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นหรือคนที่อยู่ในปกครองของบุคคลอื่น <c oughs> โดยการละเมิดโดยการมีสมิชาจารย์เราก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรารักเรางสงสารบุคคลนั้นว่าจะเสียหายเพราะเรา น่ารักรกระสงสารผู้ปกครองของเขาว่าจะต้องเกิดความเสียใจน้อยใจจะมีความขุ่นข้องหมองใจในเมื่อเราเข้าไปละเมิดนี่เป็นอันว่าเรามีความรักความสงสารล้วทาไม่ได้อันนี้สำหรับข้อที่สี่คือการบุชาวายก็ดี <c oughs> การพูดคำหยาบกนดีพูดส่อเสียดยยโยงส่งเสริมให้เขาแตกแล้วกันกนดี พคดเพื่อเจอิดเหลวไหลเป็นวาจาที่ไร้ประโยชน์ก็ดีาการอย่างนี้จะมีกับเราไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีความรักเรามีความสงสารเราจะทาอย่างนั้นไม่ได้คนที่เรารักเราก็ไม่โกหกคนที่เรารักมีแต่วาจาอ่อนหวานเท่านั้นที่เราจะพูดกับเขา ไม่มีวาจาสามหาวความจหยาบการที่อายุยงส่งเสริมให้คนรักกันเป็นศัตรูกันมันก็ไม่มีสาหรับเราเพราะเรามีความรักความสงสารบคคลทุกคนเพราะถ้าเขาเป็นศัตรูกันเขาก็มีความทุกข์มีแต่วความเล่าร้รอน นี่สำหรับการเที่จพูดเพื่อเจอรหรือไหลเป็นวา จ, จาหยาบคายทำใส้ความสะด u n งสะเทือนใจเกิดแก่บุคคลอื่นก็ไม่มีกับเราจะมีความรักความสงสารในบุคคลนั้นการดื่มสุราบานก็ย่อมไม่ปรากฏเพราะเราสงสารตัวเองด้วยสงสารบุคลคลในครอบครัวด้วยว่าจะต้องสูญเสียทรัพย์สินที่นำมาซึ่งเป็นเหตุให้เป็นประโยชน์จากทรัพย์นั้นให้สูญเสียไปเปล่า เรื่อไม่เช่นนั้นไอเจ้าเล่าทุลายาวิ่นมันก็จะพาเราเข้าโคกเข้าตาร า, า ง, างเป็นเหตุไอคนอื่นเขาเยียบยับยว่าเราเป็นคนขี้เหล้าขี้ยาไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นไม่เป็นที่สงคนอยา่าคบค้าสมาคมเพราะคนเมาเหล้าไม่ใช่คนดีคนประเภทนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์วรมศาสะเสนดากล่าวว่าเป็นคนที่ ไม่มีศักดิ์ศรีเป็นคนทำลายความดีคนตนเองนี่รวมความว่าถ้าเรามีพรมีหันศีครบถ้วนศีลแล้วก็บริสุทธิ์เมื่อสาสนาคมคือไตรศาสานาค ม, คมได้แก่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เรายึดมั่นทรงตัวอยู่และคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมครูในข้อที่ว่าศีลบริสุทธิ์มีอยู่ เราก็ชื่อว่าเป็นผู้เข้าถึงความเป็นประสดาบันสิ่งกี่เรานั้นจะมีความมันม่นคงได้ก็เพราะอาศัยพรมีหารสี่เป็นสำคัญ <c oughs> จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าบุคคลที่เป็นประสดาบันย่อมมีเมตตาความรักกรุณาความสงสาร แล้วไม่ฉาดิสยญญาบุคคลอื่นใดที่ได้ดีเพราะยินดีกับบุคคลผู้ได้ดีนั้นยิ่งไปกว่านั้นก็มิวเบกขาวางเฉยเมื่อกดของกรรมและสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่รักของตนจะต้องสูญหายไปเพราะเหตุที่ไม่ได้ตั้งใจอาการอย่างนี้มีตัวอย่างจะยกตัวอย่างมาแบบง่ายๆสักลายเดียว แล้วก็อยาข อ, อนำมากล่าวแต่โดยย่อไม่ใช่คิเศดานเพราะเวลาจำกัดโดยอย่างที่บรรดาท่านคุตตริสัท์เห็นอยู่เสมอได้แก่พนังนางนาวิสาขามาหาอุบาสิกานางวิสาขามาหาอุบาสิกานี่เป็นประโสดาบัน จิตใจหองนางนั้นเต็มไปด้วยความเกลื่อนเกลแอนเต็มไปด้วเมตตาความรักกรุณาความสงสาร <c oughs> จะเห็นได้ว่าในการครั้งหนึ่งเมื่อองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงสมเด็จประทับอยู่ที่พระคันทรูดีใ <c oughs> นวันหนึ่งนาวีสาขาได้อารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อมไปด้ยวยพระสงฆ์ทั้งหมดไปฉันพัะตาหารที่บ้าน วันนั้นเป็นเอเวลาที่จะถึงเวลานิมนต์เมื่อเอิญฝนตกใหญ่เสมอัยนั้นบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายมีผ้าสามชิ้นคือสบงหนึ่งจีวรหนึ่งสังคาติหนึ่งมีผ้าวิเศษก็ได้แก่อังสะเป็นผ้าซับในและก็ผ้ารัดแปลคตแทนเข็มขัดเวลาเดียวกันนั้นปรากฏปรากฏว่าฝนตกจัด อันดาพระสงฆ์ท่านหลายให้เป็นโอกาสพระประมาณเราสองพันรูปก็พ า, ากันอาบน้ําตามใจ่ามหาวิหารเพราะเป็นวิหารใหญ่เวลาอาบน้าท่านก็แก้ผ้าด้กันทุกองค์เป็นเวลาสายแล้วนาวิสาขาต้องใช้คนใช้ให้เวทนิ ม, มนต์พระปรากฏว่าเมือ่อคนใช้ไปถึงเห็นพระแก้ผ้าอาบน้ํากันเป็นแถว เข้าใจว่ า, าเจร็กคือพวกขี้เปื่อยจ้นี้กลับมาบอกก น, นาวิสาขาว่าที่วิหารไม่มีพระมีแต่พวกเจร็กขี้เปรยเท่านั้นก <c oughs> นาวิสาขาก็ทราบว่าพระคงจะอาบน้ํากันเพราะมีผ้าสามผืนถ้าสบองเปียกก็ไม่มีสบงนุ่งเพราะมีสบงผืนเดียวมีจีวรตัวเดียวมีสังติตัวเดียว เมื่อผลหายแล้วนาวิสาขาก็ใช้คนใช้ไปใหม่เพราะว่าเวลานี้พระกลับมาแล้วเธอจงไปก็ปรากฏว่าคนใช้กลับไปคราวนี้ผลหายพระนั่งในในมหาวิหารหมภาพก่อนเรียบร้อยนานจึงเข้าไปบอกแกพระอนนท์ว่าถึงเวลาหาันแล้วขอได้ตรวจประเดียงพระให้ไปรับประตาหารได้ <c oughs> เมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ทัานหลายฉันพุทธาหารเสร็จนวีสาขาพระอาศัยมีความเมตตาในพระมีความสงสารในพระถที่มีผ้าน้อยเกินไป <c oughs> ยิ่งนี้ขอพรในองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าขอให้หม่อมฉันแล้วขอให้พระได้มีโอกาสรับผ้าวันสิกขาคือผ้าอาบน้ําฝนได้ เป็นชิ้นดีสี่ที่เป็นผ้าสำหรับครองคือเป็นผ้าอดิฐานองค์สมเด็จพระพิชิตามาร์ก็ทรงอนุมัตินี่จะเห็นได้ว่าคนที่เป็นประโสดาบันน่ะมีจิตประกอบปวยความเมตตาปรานีและประกอบปฏิเหตุผลไม่ใช่เมตตาปรานีประเภททรงเดชใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา ในคราวหนึ่งในคราวว่าพิธีพิสูจน์ชาปาถามาเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาตั้งแต่ก่อนเข้าบรรษาถึงวันเข้าบรรษาแล้วแต่ยังไม่ถึงองค์สมเด็จพระบัีแก้วยิงพระเกล้าว่างทางพอะออกพรรษาก็รีบเดินทางมาน้ำค้างตามใบหญ้าใบไม้ก็เฟียก <c oughs> เมื่อเธอก็ต้องใช้ผ้าเปียกๆ เ, เพราะมันมีชุดเดียวเมื่อถึงได้พระเจ้าแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนนั้นนาวีสาขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยเห็นพระเปียกทั้งหมดถามได้ความชัดว่าเดินมาตั้งแต่ก่อนเข้าบรรษาเมื่อเวลานี้เข้าบรรษาแล้ว ก็เมื่อเวลาเข้าพรรษาต้องพักระหว่างทางออกพรกรษาเขหลิบมาผ้าผ่อนผ่อนทสบายไม่มีปัดก็มีผ้าอยู่สามชิ้นจํากัดนาวิสาขายังขอพ่อนองสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าว่าเวลาออกพรรษาแล้วเขาจะ ม, มีโอกาสได้ทอดกระถินคือพระจะได้รับผ้าตรายจีวรจากรันดาทายกุมบาสกอุมบาสิกา ย่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาอนุญาตว่าเมื่อออกพรรษาแล้วตั้งแต่แรมค่ำเนี่งเดือนสิบเอ็ดถึงกลางเดือนด2บสองเป็นเวลาหนึ่งเดือนขอยบรรดาพระสงฆ์รับผ้ากรกถินญานแก่บรรดาภิสุกบรรดาทายกทายทิก า, ท, าที่มาถวายได้ในผ้าการะถินที่เรากล่าวว่าสำคัญที่จะไกลครอง ไกลอื่นๆไม่สาคัญนั้นไม่จริงความจริงสาคัญทุกกลมีอ น, นิสงส์เท่ากันเพราะยิ่งถว า, ายได้ทั้งวัดยิ่งดีพระพระจะได้มีใช้สม่ำเสมอกัน <c oughs> นี่การนำเรื่องนี้มาเล่าให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัท ฟ, ฟังก็จะได้จำเป็นตัวอย่างว่าท่านดีเข้าถึงความเป็นปรสนาบันหรือกาลังจะเข้าถึงความเป็นปรสนารบั อย่าต้องทรงพรมีหานสีเป็นปกติเมื่อทรงพรมิหารศีแล้วก็เป็นปัจจัยให้ศีนบริสุทธิ์ด้วยทรงมีหารพรมีหารศีเป็นปัจจัยระงับทโทสะและพยาบาทถ้าไม่ทโทสะและพยาบาทคลายตัวแล้วพรมีหารศีเป็นปัจจัยให้คนใจดีพอใจในการให้ทาน แล้วก็ทานตัวนี้เป็นปัจจัยตัดโลภะคือความโลภทำให้จิตใจของท่านดีเป็นประสงดาบันมีอารมณ์บริสุทธิ์ผุดพองไม่มีความโลภคือปราบปราในการยื้อแย่งเขาพอใจในการหาได้โดยสัมมาอาชีวะฉะนั้นขอบรรดาท่านพโยคาวจอนนันลายที่กําลังสนับอยู่จงปรับกําลังใจของท่านให้ดีตามนี้ นี่การเข้าสู่ความเป็นประโสงค์ดาบันจะเห็นว่าเป็นขอไม่ยากไม่มีอะไรลาบากที่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่จะต้องหนักใจนี่มองดูเวลาสําหรับจะพูดการกืนว่าหมดเสร็แล้วต่อต้นนี้ไปของมรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านจะนั่งอยู่ก็ตามจะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ ควบคุมกําลังใจของท่านให้เป็นไปตามคําแนะนําที่กล่าวมาแล้วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติเพื่อสุขวิวะสโกใช้อารมณ์คิดเป็นสําคัญเมื่ออารมณ์คิดมีเหตุมีผลส่งใจดีแล้วจิตใจของบุคคลหลายก็จะมีความผ่องแพ้วส่งความเป็นปมิตรดาบันไดง่ายเวลานี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องพักคํำปฏิบายขอทุกท่าน จงทรงกำลังใจของท่านในปันสมาธิและพิจารณาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้จิตใจจะได้มีความสุขเข้าถึงวิริพานต่อไปตามการตามสมัยตามเวลาที่ท่านต้องการสวัสดี